เาจกินเราเดินกับไปนั่ง <g ül> เหมือนกันดตาสิมันจะฟับหมดกลับไปเป็นแบบมนเดินเนี <c oughs> ่ยเราที่ถึงการนั่นละข้างที่บทีเเดยเดินอยูโอเคนะงทีทีันบเดียวนี่แหละก็จะเป็นการขาดความตอนนั้นไปนิดหนึ่งแต่บาทีพอเราเดินไป เาเอไปแล้วก็รู้เมื่อเรากลับไปดึบอร์ลเตัว้งกลับมาูส่ใหม่ได้ไอทิันไอทผ่านไปแล้วก็ช่างมาผ่า้างมาบางทีแค่เปลี่ยนเก็บกิริยาบุตรหรือเปลี่ยนเงินจากเงินเดิมคงมดาแค่เพิ่เแต่าทีเราก็เ่าสติคอยคอยตาม ตามดูนะตามดูกายเขากำลังเปลี่ยนแปลงหรือบางทีก็ตามดูจิตใจนะตามดูจิตใจที่มันมีความรู้สึกแบบไหนเราไม่ห้ามนะบางคนเช่นตอนเริ่มก็สงสัยหรือว่ามีอะไรแล้วก็เดือดร้นะพอเริ่มแนะนำแล้วเกิดความดีใจขึ้นมาถ้าเราเห็นเราไม่ใช่ดีใจที่ดีนะ แต่เราเห็นความดีใจหรือบางทีบางทีมั่มันสงสัยมันละไรกตบก็ให้เราเห็นเห็นผิดี่มเกิดขึ้นจริงนะในกายหรือว่าในใจอะไรก็ได้นะมันเกิดขึ้นจริงไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องดีอย่างเดียวให้ม่ธีไม่เอามันจะเกิดมาดีหรือไม่ดีเราก็เห็นมันครับสติเนี่ยจะไม่เลือก สติจะเรียนรู้แล้วก็ดูมันดูมันเฉยเฉูเฉแล้วก็ทำให้มันให้มันได้เยอะนักทำเงต่อเนื่องอันั้นบางทีเราพูดภาษาสติกภาษาไทยภาษาราลีแต่บางทีเราไม่รู้ว่าทำแบบไหนเราข้อเทียนบอกเราให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้รู้สึกตัวนี่ักให้เรา อางทีเราเจอมีพักพูดบางทีเราได้มีสื่อเขาออกเขาแม้ให้มีสติแต่มันไม่มีวิธีอันนี้คือหลวงพ่อนะมาแนะนำวิธีให้กับเราให้เราลองนัเน้นที่ว่ามีสติอันนี้คือรามีสติรู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวแล้วก็พอใจเราเติคิดพอใจมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาแล้วก็มีสติคอยรู้ทัน ความคิดรือท่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น น, นะเรียกว่ามีสติรู้เท่าทันจิตใจนะสติเนี่ยก็รู้เท่าทันทั้งร่างกายก็ได้หรือรเท่าทันจิตใจก็ได้นะที่มันเกิดขึ้นในปฏิบัติขณะนั้นนี่นะเรียกว่ามีสติแล้วก็สะสมสติสะสมสติไปเรื่อยถ้าเราตาก็ียว่าเป็นหออปาาให้เป็นมหาสตินะมหาแปลว่ามากนะหว่า มันมีสัมรางมากนะมหาสติพอมีสัมรางมากมันก็จะรี่ก็เป็นทําให้จิตใจเป็นอิสระจากอารมณ์จากความคิดหรือว่าจากเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนีมันจะออกมา ม, นะมันจะแยกออกมาไต่ก่อนมันผสมกันนันะต่อไปอมันจะแยกก็มี้ใจที่กัญชาเป็นผะู้ดูสติพอมีสัมรางมากเป็นมหาสติ เราดูนะครับว่าเราเห็นมาดูดูคนอื่นแต่ก่อนเราเข้าไปดูคล้ายๆเหมือนแต่ก่อนเราจมน้ําต่อไปเราพ้นจากน้ํามาอยู่บนสะพานหรือบปฝาดดูที่เลือทุกทีนั้นแต่ก่อนน้ํากับเราเนี่ยมันประสมกันมันอยู่ด้วยกันคือแต่ก่อนจิตใจกับความคิดมันประสมกัน หรือความรู้สึกเป็นตัวเราในร่างกายนี้ตอนเป็นเราเ จ, จิตใจมันไปด้วยกันเช่นราา่รางกายมีท่างกายมีเจ็บจิตใจเราก็ทุกไปด้วยมันผสมกันแต่อพอเราเป็นมหาสติเราเป็นผู้ดูมันก็จะแยกกันอค่นีน้ความเจ็บของกายความทุกข์ของกายจะแยกออกมาหรือแม้แต่ความคิดเช่ น, นอาจจะมีความควาวลใจความเศร้าความเครียดแต่ความสติออกมาจะเห็น เห็นวันกีนเครียดเวันกีโกรธเหวมันกินเศร้ามันเห็นนะก็จะปล่อยออกมาเนี่ยเราช้ช้าจฝึกไปมันดีเยอะนะไอ้คนเนี้ยมันก็แคบอกวิธีได้แต่ให้เราไปฝึกเองเนาะฝึกเองเยอะๆนะวันนี้ถ้าถ้าใครไม่ดีก็ฝึกให้มัเยอะๆนะแล้วก็พอเสร็จจากวันนี้ก็ไปฝึกต่ออดี มีจดหมายฉบับนึ่งมาจากทางนิการเดี๋ยวจะนั้นไม่อยู่วัดมาถ่ายลันไปต่างประเทศพอกลับมามีจดหมายน้อยจดหมายอะไรที่น่าสนใเขาเขียนลงวันที่สิบสามกรกดาคมพอกลับบ้านแล้วลที่เกียรติอารมณ์ได้ผลดีเริ่มรู้รูร้วัด เริ่มรู้ีกทั่วตัวเริ่มสัมผัสความหมายของคหว่าชีวิตห้าเดือนไม่เดือนเข้าของสุโกโแล้วพี่มันรับความรู้สึกตัวแล้วกาบม่าสางเกตโยมจุดๆเขาเป็นคนใต้ที่เดียวว่าห้าเดือนนี้กลับบ้านอยู่ปฏิบัติไม่คยพูดปฏิบัติทำงานบ้าง น่าสนใจมเริ่มรู้เริ่มรู้เรื่องรู้วัฒนเริ่มรู้ไปทั่วตัวเริ่มสัมผัสความหมายของคำและชีว้าเดือนไม่เดือเข้าของสุโตและหลวงพี่มันรักความรู้ตัวแล้วเราเริ่มสััสได้ไหมความหมายของคำและชีวตเดอนั่นแหละอันนี้ ลองท้าทายเลยนะอันนี้เขาจะแบบทําแบบแบบเหมือนนี้ค่รู้อะไรนะก็เป็นเหมือนโยมก็คงไม่ได้เย็นเสียอะไรมากคือเป็นเหมือน้าวไร่ชาวสวนน่ะแต่เขามาแล้วมาทำมล้วเนี่ยต่อเนี่ห้าเดือนเขารู้สึกเหมือนได้คิดใหม่แม้กลับบ้านไปก็รู้ บางทีรางคนมาวัดนะทำปฏิบัติธรรมจอกลอดไปที่บ้านไม่เอาความรู้สตัวไ ป, ไป้วยเอาไว้แต่ในวัดนะก็แค่ออกนอกวัดคุ้งซ่านตรง น, ะนะรี้เหมือนกันนะห้องนี้ก็เหมือนเป็นห้องฝึกเจริญสตินะพอไปแต่ห้องนี้ก็เอาสติเอาความรู้สึกตัวไปด้วยลอยใจ้ยู้ ก, กับการเดินกับการทานข้าวกับพิธจะรรม นอกรูปแต่นะนะเรียกว่านอกรูปรแต่เนี่ยเกศจะว่าสของเราเรกลับมาปฏิบัติธรรมในนี้รออะไรนะมานะนั่งเล่นะ น, นีนะ่หนระือว่าจะจมกองรอมาเวลาจะพักเด็กกันไปรับประทานอาหารนะักต่อเอาความรู้สึกตัวไปใช้ในทีจวัที่เรียว่านอกรูปแต่นะนะ